พุทธวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสัสนสีสนทนามาพบกันอีกแล้วนะคะด้วยการกล่าวคําเริ่มต้นว่าการฟังคําที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้คือคําสอน ท, ทั้งที่เป็นธรรมและเป็นวินัยของพระบรมศ า, ศาสดาพระพุทธเจ้าของเรานั้นจะทําให้ชีวิตพบกับความสวัสดีเป็นเบื้องต้นที่ต้องพูดระเบื้องต้นนั้นเพราะว่ามีเบื้องปลายที่เป็นที่สุดซึ่ง ถ้าใครได้พบแล้วก็ต้องบอกว่าสุดยอดของการที่ได้เกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนานะคะรายการนี้ดิฉันสอสนีนาคพงเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและยังมีพระภัยบุญอภิปุโนจากวัตปาดรณหายโศกุดรนธานีเป็นผู้ที่จะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะหมายความว่าเอาความรู้ที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้มาทําให้พวกเราได้เข้าใจในธรรมะของพระพุทธองค์ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และเป็นพิเศษสำหรับรายการนี้ทาง FM-106 ก น, นะคะก็คือเราจะทำให้ท่านท่างหลายได้ปฏิบัติธรรมเป็นสิริมงคลกับชีวิตของท่านเป็นการสะสมกุศลกับชีวิตของท่านโดยไม่ต้องไปเข้าคอสที่ไหนกันตั้งแต่นาทีแรกแกของรายการดังนั้นก็ต้องไปพบกับบุคคลสำคัญก่อนนะคะนั่นก็คือพระพิบรณ์อภิปุณโญค่ะกานสการ์นะท่านคะเชิบอท่านใ น, าในเรื่องของอการปฏิบัต ซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็จะมาให้ท่านผู้ฟังได้ปฏิบัติตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วก็ <c oughs> ในขณะเดียวกันก็จะพูดถึงเรื่องของการไปเยือนสังเวีนียสถานศีด้วยดังนั้นพระสูตรที่จะให้นํามาใกล้ครัวนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่พระเจ้าได้แสดงธรรมาวไว้นะที่ต่างๆเหล่านั้นเพราะะนั้นในการที่เริ่มปฏิบัติ <c oughs> เราก็ให้เป็นผู้ที่มาสังเกตลมหายใจแต่จริงๆแล้วเราทั้งหลายเนี่ยหายใจอยู่เป็นปกติในทุกๆนาทีอยู่แล้ว ในขณะที่ลมหายใจของเรากําลังเข้ากําลังออกอย่างเป็นธรรมชาติแต่แทนที่จะให้จิตของเราไปคิดเรื่องราวอื่นๆนนไปอยู่ที่อื่นๆก็ให้จิตของเรานั้นกลับมาอยู่ในกายของเราที่กายก็หมายถึงที่ลมหายใจนั่นเองเพราะว่าลมหายใจของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของกายเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นธาตุลมธาตุลมที่เข้าไปในกายผ่านทางโพรงจมูกโรงจมูกที่เป็นช่องให้อากาศเข้าอากาศออกนี้ถ้าเรามาลองสังเกต ด, ดูดีๆ แต่มันก็จะมีตำแหน่งหรือจุดที่เราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่ผ่านเข้าและผ่านออกได้พระเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้คือตำแหน่งเข้าออกของลมหายใจแต่เหมือนอย่างเวลาที่เราอยู่ที่ป้อมยามยามที่เขาอยู่ที่ป้อมยามจะเป็นตำรวจก็ตามจะเป็นยามที่รักษาความปลอดภัยก็ตามเนี่ยเขาจะเห็นรถเข้ารถออกคนเข้าคนออกอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ตามรถที่เข้าไปไม่ได้ตามคนที่ออกมา เหมือนกันเวลาที่เรามาสังเกตลมหายใจเราเอาจิตไว้ตรงนี้นี่ยคือจิตไว้ที่ตำแหน่งที่เราจะรับรู้ถึงลมที่มันเข้ามันออกได้แต่เราไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้เรารับรู้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวอย่างเป็นธรรมชาติน่ยแล้วก็ไม่ต้องบังคับลมให้สั้นหรือให้ยาวแต่ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติแต่เวลาที่เรามาสังเกตระลึก ร, รู้ถึงลมหายใจอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะใกล้ครวนพระสูตรป แล้วก็ระลึกรู้ถึงลงหมหายใจไปด้วยได้เป็นเรื่องราวที่ท่านพระนรินถามพระพุทธเจ้าในคืนแห่งการตรัสรู้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็นอนสียสยาละเป็นการนอนเสียสยาครั้งสุดท้ายของพระองค์ใน ต, ตอนนั้นก็เป็นช่วงปัจชิมยามนั่นก็เลยตีสองไปละท่านพระนร น, นก็มีความเสียใจที่จะไม่ได้พบเห็นภิกษุที่จะมาเฝ้ารพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้บอกว่ากล้าแต่พระองค์พู้เจริญแต่ก่อนนี้ ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาในที่ต่างๆแล้วย่อมมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสเห็นภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าไปพบปะภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าล่วงลับไปแล้วพวกข้าพระองค์งทั้งหลายย่อมหมดโอกาสที่จะได้เห็นหรือได้เข้าพบปะ ภิกษุทั้งหลายผู้น่าจรเิญใจเหล่านั้นอีกต่อไปในที่นั้นท่านพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านพระอนอนท์อย่างนี้ว่าอ น, อนนท์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่บุคคลผู้มีศรัทธามีอยู่สี่ตำบลคือสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่า ประตาคต์ประสูติแล้วณที่นี้หนึ่งสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่บุคคลผู้มีศรัทธาว่าประตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้หนึ่งสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าประตถาคต ได้ประกาศอนุตตรธรรจักให้เป็นไปแล้วณนาที่นี้หนึ่งสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าประตถาคตรบริณีพานด้วยอนุปาทิเศสนิพานธาตุแล้วณาที่นี้หนึ่งอานน์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้มีศรัทธา จะพากันมาสู่สถานที่สี่ตำบลเหล่านี้ด้วยหมายใจว่าพระตาตาคตได้ประสูตรแล้วณที่นี้บ้างด้วยหมายใจว่าพระตาตาคตได้ตรัสรู้อนุตตระ ส, สัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้บ้างด้วยหมายใจว่าพระตาตาคตได้ประกาศอนุตตระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้บ้าง ด้วยหมายใจว่าพระตถ า, าคตได้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส า, านิพพานธาตุแล้วณนาที่นี้บ้างจนเหล่าใดาเที่ยวไปตามเจดียสถานจะมีจิตเลื่อมใสทำกาลละแล้วจนเหล่านั้นจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับดังนี้อันนี้คือพระสูต์ที่ให้ใครครวญ ในขณะที่เรามีสติยืนลมหายใจแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของสังวิเชนีสถาน4ีได้เจ่นกันสาธุค่ะท่านฝั่งที่กรกข้าแล้วนั่นก็เท่ากับว่าท่านจตเพบุณอภิปุโนนั้นได้นำท่านทั้งหลายเข้าสู่การปฏิบัติธรรมโดยได้ชี้แนะวิธีที่ท่านจะนำจิตไปรู้ลมหายใจ ประกอบกับการที่ท่านพิบูรณ์ได้อ่านพระสูตรซึ่งท่านก็บอกว่าจะเกี่ยวเนื่องกับการที่ท่านจะเล่าเรื่องของการที่นําคณะไปยังสังเวชนียสถานซึ่งปรากฏอยู่ในพระสูตรแล้วเดี๋ยวเราจะได้ฟังความกระจ่าง ก, กันต่อไปเลยนะคะเนังค่ะอันดับแรกก็จะเล่าให้ถึงฟังกับคุณโยติว่ท่านผู้ฟังด้วยในช่วงต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาค่ะมาก็พร้อมกับหลวงพอ่อหลวงพอ่อดรสารท่โทปโส ก็พาคณะประมาณร้อยกคนนะคุณโยมติวโวอ้เยอะจริงจค่ะร้อยหกสิบคนจากเมืองไทยไปนะทีะ่ก็เรียกประเทศอินเดียเนปาลนะตรงนั้นค่ะต้อทงทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งก่อนว่าพทุทธพจน์ที่ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องคนที่จะไปในคนที่จะไปสังเวชนียสถานสี่เนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งว่าโดยปกติเนี่ยพระเจ้าเวลาจะพูดถึงสถานที่ หรืออะไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าธรรมะเป็นอะกาลิโกคุณยมติวเนี่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องไม่จํากัดที่จํากัดเวลาเข้าใจไหมอย่างเช่นถ้าเราจะพูดถึงว่าที่สงัดเอาก็ตรงไหนก็ได้ที่มันมีเสียงคนเข้าคนออกน้อยเป็นที่ทําการรับของมนุษย์ตรงนั้นเป็นที่สงัดตันตีเป็นต้นหรือว่าแม้แต่ที่ที่สปายะคือสถานที่ที่สบายในการปฏิบัติพระชเขาพูดถึงที่ที่ทําแล้วนั่งแล้วแล้วจิตเราจะสงบลงไป เพราะมันที่ไหนก็ได้ที่จิตเราจะนั่งเราสงบนะไม่จําเป็นต้องเป็นละติจูดนี้ลองจีจูดนี้เข้าใจไหมไม่ต้องเป็นต้องณนะตำแหน่งเนี้ยในกูเกิลแมปอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเฉพาะสถานที่4แห่งนี้นะเพราะงั้นก็เลยต้องการจะมาพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะอันดับแรกก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าที่พระเจ้าบัญญัติหรือว่าประกาศทำตรงส่วนเนี้ยเพราะว่าปรากฏเหตุความที่ท่านพระอนนนี่ยมาถามนะถึงคนที่เขาจะน่าเจริญใจ คุณยมตีความออกมาว่าสมติในสมัยพุทธกาลนะนะมีพระรูปเจ้าเนี่ยเป็นหลักเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานใครๆอะไรต่างๆก็จะมาหาพระรูปเจ้าอยู่เป็นประจำเนือ <Okay. S 2> เหมือนกับลูกเนี่ยจะมาหาพ่ออย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> ก็ก็อย่างที่พระรูเจ้า ว, ว่าว่าเหล่าสาวกเนี่ยเป็นบุตรที่เกิดจากโอ์ของพระองค์แต่เพราะนั้นคนที่บรรลุทธรรมแล้วหรือว่ามีคำถามใดๆก็จะมาถามพระรูปเจ้าอยู่เป็นประจำซึ่งบุคคลเนียเหล่านั้นที่มาหาพระรเจ้าเนี่ย ทรานระอนุอนบอกว่าโเป็นบุคคลที่น่าเจริญใจแต่บางคนมีปัญหาติดขัดในการภาวนาบางคนภาวนาจบแล้วเป็นพระอาจารย์แล้วมาประกาศความที่ตัวเองเป็นพระอาจารย์ให้พระเจ้าทราบอย่างนี้เป็นต้นนะเห็นแล้วมันก็มีความเจริญใจมีกําลังใจลักษณะนั้นแต่ถ้าพระเจ้าตายไปแล้วจะมาหาใครล่ะแต่ท่านพระ น, นก็เลยเมีความเสียใจตรงนี้นิดหนึ่งนะแล้วก็เรื่องตรงนี้มันก็เกิดจากการที่พระเจ้าจะปฏิญญาน พระเาก็เลยพูดถึง4สถานที่นี้ว่าเออถ้ามานะมาแล้วเห็นนะเห็นแล้วรู้สึกเกิดมีความสังเวชนะด้วยความศรัทธาที่คุณมีเนะี่ยคุณก็ณจะเป็นปุคคลที่น่าจเจริญใจนะด้วยคุณธรรมสอย่างนะคือ1นศะรัทธาสองเกิดความสังเวชและสามถ้าเราดูพระสูตรนี้ให้ชัดเจนเนี่ยคนที่มาเนี่ยจะต้องมาด้วยความหมายใจว่านี่พระเจ้าตรัสรู้ที่นี่นะด้วยหมายใจว่านี่พระเจ้าประกาศอนตรัก ทำมาจากให้เป็นไปในที่นี้เพราะฉะนั้ความว่าหมายใจหมายใจเนี่ยหมายความอะไรคุณโยมเตียวบ้านะมันก็ต้องหมายถึงความที่คุณรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นณที่นั้นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นณที่นั้นน่ะมันคืออะไรอย่างเช่นเรื่องของการตรัสรู้อย่างนี้เป็นต้นนะรู้ไหมว่าพระเจ้าทําอะไรบ้างด้วยบทเพี้ยนชนะที่พระเจ้าอธิบายไว้นะซึ่งการไปครั้งนี้ของเราเนี่ยอาจจะมีความที่แตกต่างกับการการไปครั้งอื่นๆที่อาจมาเคยไปมาหรือว่าที่คุณอื่นอาจจะเคยไปมานะ ก็ ค, ค, คือการที่เราได้นําเรื่องราวเหล่านั้นเหล่านั้นนั่นแหละนไปไปให้คนที่อยู่ที่นั่นที่นั่นเนี่ยได้ฟังโดยโบทและพยัญชนะที่พระเจ้าประกาศาไว้เลยค่ะงั้น<ม>เดี๋ยวขอเชิญถามนิดนึงนะคะท่คุเองก็เดินทางไปหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็ในการไปแต่ละครั้งเนี่ยจะมีพระภิกษุด้วยซ้ํานะคะขึ้นมาเล่าเรื่อง<ม>ระหว่างการเดินทางที่บางทีจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนี่ก็เกือบสิบชั่วโมงใช่ ก็ล้วนแล้วจะเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าแตกต่างกันอย่างไรเหรอคะกับการที่ท่านหลวงน่าจะเป็นครั้งแรกอ ม, มันคือบทเพียนชนะไงแลนะบทเพียนชนะที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เอ่า อ, อย่างเช่นว่าเราเราอาจจะดูตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างเราหยิบธนบัตรขึ้นมาเนี้ยนะคุณยมเตียวเราเห็นรูปในหลวงอยู่ในธนบัตรใช่ไหมคุณเห็นรูปในหลวงอยู่ในธนบัตรเนี่ยกับคุณเห็นรูปในหลวงที่ฝาบ้านคุณเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะด้วยความเป็นในหลวง คุณอย่างตัวนี้หรือไหคือเราจะไม่ได้คือธนาบัตรบางทีเราวางไว้ต่ำเราวางไว้ตรงนั้นตรงนี้เก็บในกระเป๋าของเกงบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่ได้แขกอะไรมากเพราะมันเป็นธนาบาัตรก็ได้ไหมแต่กับรูปในหลวงที่ฝาบ้านนี่โอ้เราให้ความเคารพมากกว่านะหรือเราเห็นในหลวงขับรถผ่านโอ้นี่ก็คือเห็นตัวเป็นๆ เ, เลยกับรถผ่านนะหรือว่าขณะที่เห็นอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ท่านอย่างเงี้ยเวลาที่เช่นมาถ้าใครเคยมีประสบการณ์ไปรับปริญญาบัตรจากพระองค์ท่านอย่างเงี้ยแหมมันคนละเรื่องคนละ feeling เหนื อ, อหรือไ ค, คนละความรู้สึกเช่นเดียวกันสมมติเราบอกว่าเราฟังธรรมะมาธรรมะจากไหนจากพระพุทธเจ้าไหนระบบทเปลี่ยนชนะใช่หรือเปล่าก็คือฟังคนบอกต่อมาอีกดีฟังคนที่เขาบอกต่อบอกต่อกันมานะ่ยแต่ตอนเนี้พพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะตัวเป็นเป็นไม่อยู่แล้วเสียงเออรูปร่างท่าทางลักษณะมหาบุรษสา ม, ามสองประการการเดินการย่างก้าวเราไม่เห็นแล้วเห็นแต่ดินที่ท่านเคยเหยียบอยู่เห็นแต่ อากาศที่ท่านเคยหายใจอยู่เห็นแต่ภูมิประเทศเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่ท่านเคยอยู่แต่มันก็เคยได้ส่วนหนึ่งแล้วไอาการฟังธรรมก็เหมือนกันคือถ้าปบทเพียนชนะที่ได้ใกล้เคียงกับที่บุรุษเจ้าได้พูดไว้มากที่สุดเนี่ยมันจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นไงตรง น, นี้ที่จะไม่เหมือนกันค่ะนะคะท่านฟังนั้นก็จะได้ทําความเข้าใจตรงกันบางคนอาจจะแย้งเหมือนที่ดิฉันได้ถามท่านเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะมีความต่างนะคะท่านฟังค่ะ คือครั้งนี้จะเน้นที่เอาบทพยัญชนะหมายถึงว่าถ้อยค<ช>ําจะพูดให้ง่ายอย่างนั้นได้ไหมคะใช่นะคะถ้อยคําที่เชื่อว่าน่าจะใกล้เคียงกับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มากที่สุดอืมก็มีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกต่างๆค่ะแต่ํามว่าอย่างคนที่พระภิกษุไม่ว่ารูปไหนตัวธรรมาเองก็ตามเนีที่เอามาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังอธิบายใหยมติ๋วฟังหรือพระองค์ไหนก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องอ่านมาจากตรงนั้นค่ะเข้าใจไหมเขาก็ต้องอ่านมาจากเรื่องราวตรงนั้นตรงนั้น S 1> <S 1> โอ้ย <c oughs> ย่ไปพูดเลยสมัยนี้เอาคนที่สร้างใจดีตรงนั้นหรือคนที่สร้างพระพุทธรูปตรงนั้นเขาเอาเรื่องราวมาจากก็มาจากเรื่องราวเดิมๆตรงนั้นเรื่อง <c oughs> ราวเดิมๆที่เกิดขึ้นที่นั่นซึ่งนี่คือบทเพลงชนะที่พระเชาอธิบายไว้และเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันคือกลับไปที่ตัวมาดิกาตัวแม่บทจรงิงจริงอ่านี่มันสคัญตรงนี้ ค, ค่ะคือณที่สถานที่ตรงนั้นเราศึกษาจากพระไตรปิฎกเชื่อว่าพระพุทธองค์ตรัสเรื่องนี้ที่ตรงนั้น และได้หยิบยกเอาบทเพียนชนะที่เชื่อว่าพระพุธองตรัดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจำมาถ่ายทอดบางส่วนแล้วก็หรือมาเล่าด้วยวิธีการของเราเองอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องแล้วท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าบทเพียนชนะจะสาคัญอะไรมันสาคัญ เ, เพราะมันเป็นมาติกาเป็นแม่บทในการที่จะรักษาคำสอนไม่เสื่อมสูญไปเราต้องกลับไปหาที่ตัวมาติกาตัวแม่บท โอ้ง oh, ั้ น, น, นักอยากจะทราบมากขึ้นซะแล้วท่านจะเริ่มที่ไหนก่อนเหรอคะแล้วก็จะได้รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยควรจะฟังมาติกาแม่บทอะไรก็คือเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงว่าในรายละเอียดแต่ละที่แหละที่เนี่ยก็อยากจะทําความเข้าใจก่อนว่าจุดประสงค์ของการที่ไปเนี่ยมันมันคือตรงนี้นะแล้วก็ถามว่าเอ๊แล้วถ้าสมมุติว่าเราไปถึงที่นั่นนะอย่างอย่างเช่นเราเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะวัฒนธรรมเอ่ย การดำรงชีวิตอาหารการกินต่างๆไม่เหมือนกันแล้วถามว่าถ้าคนที่ไปที่นั่นแล้วเนี่ยประเด็นคือว่าเราอยู่ในสถานที่ที่พระุทธเจ้าเคยอยู่มาก่อนหลักฐานตามประวัติศาสตร์ะอะไรต่างๆแต่ไม่ได้ข้อสรุปว่าอย่างนั้นแต่ <Okay. S 1> แล้วถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าเราไม่เห็นธรรมะนะคือเราจะไม่เห็นรบระพุทเจ้านะคือต่อให้คุณไปยืนตรงนั้นเลยนะมีเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเคยเหยียบดินตรงนี้จริงๆก็ตามแต่ถ้าเราไม่เห็นธรรมะเช่นอะไรบ้างเช่นเราด่ากันว่ากันนะเช่นเราขโมยของกัน เ น, นีคือที่นู่นเนี่ยก็จะมีอะขอทานบ้างคนที่ประพฤติไม่ดีบ้างคนปลอมบวชบ้างอะไรต่างๆซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเขาไม่เห็นธรรมตอนให้เขาอยู่ที่นั่นจริงๆก็จะไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็จะไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถึงถ้าคุณเห็นธรรมะะมีใจสงบระงกาไม่กระวนกระวายมีสัมมาวาจากันเนี่ยก็ชื่อว่าเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าได้และถามว่าถ้าเราเห็นธรรมที่บ้านเราก็เห็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันก็เห็นไะด้เ<อ>หมือนกัน ทีนี้เรื่องผัสษะมันจะแตกต่างกันไปอย่างที่ว่าเพราะว่าผัษสที่มาทางตาต่างหูมันก็จะไม่เหมือนกันประเด็นที่3ที่เรามาต้องการจะชี้แจงก็คือว่าเวลาคนที่เขาจะไปที่อินเดียไม่ว่าจะเป็นนักโบราณคดีที่นับถือพุดหรือไม่นับถือพุดก็ตามไม่ว่าคนที่จะไปแสวงบุญหรือใครก็ตามที่เข้าไปเนี่ยเขาก็ไปเพื่อที่จะไปหาข้อมูลไปเพื่อที่จะใกล้คิดตรงนี้ นะเพราะนั้นถ้าผมว่าเราไปแล้วเราได้เห็นธรรมะนะธรรมะด้วยการที่เข้าถึงธรรมะว่าเรื่องราวตรงนี้ตรงนี้คืออะไรนั่นคือสําคัญน ะ, ะเพราะนั้นภาษาที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันประเด็นถัดมาแลนอกจากการที่เราได้เดินทางไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยได้นําพระสูตรต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีหนังสือแจกให้ด้วยนะเป็นหนังสือที่รวบรวมพระสูตรเหล่านี้เอาไว้นะเป็นพุทธพจน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นะเผื่อว่าก็มีคนต่างประเทศไปด้วยนะจะได้ให้เขาเกิดประโยชน์เพราะว่าคนอินเดียเขากขา็บางส่วนก็ไม่เข้าใจภาษาไทยนะก็ให้เขามีภาษาอังกฤษได้อ้างอิงนะก็เป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้เกิดการอ้างอิงตรงนี้ได้ค่ะทีนี้พอมาถึงประเด็นที่ว่าแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นั่นคืออะไรนะคือคนที่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นั่นแล้วนะตรงนี้มีหลายคนที่เข้าใจไปว่าไปถึงปุ๊บทุกคนจะได้ไปสวรรค์ ไปถึงที่นั่นแล้วทุกคนจะได้เหมือนกับว่าไปสวรรค์เลยนะซึ่งจริงๆมันอยู่ที่ว่าจิตคุณเนี่ยมีความเลื่อมใสยไหมดังนะนั้นถ้าเบอกว่าคนจะไปสวรรค์ก็ต้องอาศัยเหตุ ate, นะั้นก็คือคุณมีจิตเลื่อมใสนะคุณจะมีจิตเลื่อมใสก็อาศัยเหตุ ate, นะัคือการที่ไปสู่สี่สถานที่นี้การที่จะไปสู่สีสถานที่นี้แล้วมีศรัทธาเห็นเกิดความสังเวชมีจิตเลื่อมใสนั้นะนั่นคือจะพาที่คุณไปสวรรค์ได้นะใช่ อ่าทีนี้คือส่วนตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปนะค่ะงั้นที่ฉันก็ขอที่จะย้ํากับท่านฟังอีกสักนิดหนึ่งว่าเผื่อท่านใดเคยไปมาแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่เคยไปแต่จะไปอีกจะได้ทราบว่าไม่ใช่พระสูตรตรัสไว้ไว่าถึงสุคติโลกสวรรค์คือไปถึงโน่นปุ๊บถึงสวรรค์เหมือนกันอืเป็นไปไม่ได้แต่ต้องอยู่ที่ว่าต้องได้มีการกระทําทําให้เกิดมีจิตเรื่องใส่ใช่ใช่มีศรัทธาแล้วไปเห็นแล้ว เกิ <cript> ดความสิตเกิดความสังเวชจริงๆ ค, ค่ ะ, คคะแล้วความเลื่อมใสจะเป็นผลของการที่มีศรัทธาและมีความสังเวชคนที่มีศรัทธามีความสังเวชเป็นผลของอะไรเป็นผลจากการที่คุณได้ไปเห็นสีที่นี้นถามว่าต้องเห็นเฉพาะสีที่นี้เลยเหรอถึงจะมีความศรัทธามีความสังเวชไม่จําเป็ น, นคุณอยู่ที่บ้านหรือคุณอยู่ที่วัดคุณจะเกิดความศรัทธาเกิดความสังเวชได้ไหมได้ถ้าให<ช>้คุณมีความเลื่อมใสคุณก็ไปสวรรค์เหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะค่ะสําหรับคนไม่ได้ไปด้วยใช่ใช่ แล้วก็มันมันความแตกต่างกันมันก็จะมีตรงที่ว่าพระบรุทธเจ้าเนี่ยไม่อยู่แล้วในชีวิตของรบระพุทธเจาเนี่ยเราก็ได้ฟังแต่พระเนีบอกต่อกันมาและคือคือพระสงฆ์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่ในธรรมวิ น, นัยนี้คือเรามีพ่อคนเดียวในคือบระพุทธเจาพระพุทธเ า, า, าเป็นบิดาที่เขาเรียกว่าพ่อทางวิวัสตะอย่างคุณโยมติวก็มีบิดาของโยมติวใช่ไหมแต่เมืฟังก็มีบิดาของแต่ละท่านแต่ละคนไป ชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้ชาติหน้าก็มป็นอีกคนหนึ่งชาติต่อไปก็เป็นอีกคนอีกคนหนึ่งนะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าบิดาในวิวัตตานะคือนับกันไม่หมดไม่ท้วนเลยในสังสารวัตนี้แต่บิดาในวิวัตนะคือที่จะออกสังสารวัตเนี่ยมีคนเดียวนะคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆไม่อยู่มิแต่เรื่องราวที่ท่านเล่าไว้ให้ฟังใครเล่าให้ฟังก็พี่เนี่ยเล่าให้ฟังพี่คือใครก็พระสงฆ์ที่บวชมาก่อนหรือว่าคนที่มาก่อนเราเล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ แหมแต่เราไม่เคยเห็นพ่อเลยเอาเราไปดูดินแดนที่พ่ออยู่นะว่าพ่อกินข้าวอย่างนี้อยู่อย่างนี้นะสถานที่เป็นแบบนี้มันก็เหมือนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะแต่ถามว่าเราได้ฟังเรื่องราวก็ก็ได้เหมือนกันนะนะแล้วก็ธรรมะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพ่อของเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติอยู่นะเราเข้าถึงธรรมะก็ได้เข้าถึงพระเจ้าละทีนี้ธรรมาต้องการจะเล่าไปตามลาดับที่ที่ได้ไป <น>คือทริปที่เราไปเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการปฏิบัติบูชาคือเหมือนกับยกค อ, อสล็กเน้นปฏิบัติเนี่ยไปนั่งที่นู่นเลยนะเราก็จะมีให้นั่งสมาธิห่งชั่วโมงพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะที่ตําแหน่งนั้นๆนะโดยประเพณีชนที่พุทาเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะมีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปรกรณ์ใช้เสียงบ้างอะไรบ้างทาให้เรามานะมีความทราบซึ้งมากนะคุณโยมติว่าสมัยก่อนพุทธเาเนี่ย เราไม่ต้องพูดถึงว่ามีเครื่องเสียงนะไม่ต้องพูดถึงมีวิทยุเครื่องเสียงก็ยังไม่มีเอา้าใช่นะพระเจ้าก็นั่งพักสมร้อมคุณพันนะแล้วนะก็แสดงธรรมให้ได้ยินได้หมดแต่บางที่เราใช้เครื่องเสียงเนี่ยก็ยังต้องแข่งกับเสียงอื่นๆที่มาบางคนก็ไปบูชาด้วยการสวดมนต์บางบางคนก็บูชาด้วยการทําท่าทางต่างๆอะไรต่างเงี้ยนะใช่ซึ่งก็ต้องบอกว่ารูปแบบของการบูชาที่พระเจ้ายกย่องเนี่ยคือตอนน้นเนี พระพุทธเจ้านอนสียาสยาละก่อนเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นิดหนึ่งคือตอนนั้นเป็นปฐมมายามนะหลังจากที่ประทับสียาสยาครั้งสุดท้ายเนี่ยช่วงประมาณสัก6กโมงทุ่หนึ่งเนี่ยแหละแล้วก็มีดอกสาระนะผลิผิดฤดูโปรโยลงเบนพระสีระดอกมันทารบมาจากสวรรค์คือพูดง่ายๆว่าพระอินเนี่ยปิดสวรรค์เลยให้เทวดาทุกองค์ลงมานะ<อ>มีกลิ่นหอมมีดอกมันทารบที่มีเฉพาะในสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้นมาโปรยลงแถวนั้นเต็มไปหมดแล้วก็ปรากฏว่า พุทธเจ้าบอกบอกท่านพรอนุบอกว่าการบูชาอย่างนั้นเนี่ยไม่จัดว่าเป็นการบูชาอันสูงสุดยังไม่ถือว่าพรุทธเจ้าเนี่ยได้รับการบูชานะแต่การแต่บุคคลผู้ใดนะที่มีการปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิง่งปฏิบัติตามธรรมอยู่เนี่ยชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยได้รับการบูชาละแต่เนะพราะฉะนั้นรูปแบบของการบูชานะเราก็ไม่ได้บูชาด้วยสิ่งของแต่เราบูชาด้วยการปฏิบัติบางคนก็อาจจะเดินอยู่สวดมนต์ปากขยับอยู่แต่ถ้าใจเขา มีใจที่ระลึกถึงคําสอนมีความศรัทธามีความเลื่อมใสมีจิตเป็นสมาธิแล้วก็ชื่อว่าใจของเขานั้นก็สูงในแต่ละคนก็จะมีรูปแบบการบูชาไม่เหมือนกันแต่แต่ว่าทุกคนมีศรัทธาหมดเลยด้วยตามเรื่องราวที่ที่เล่าให้ฟังอย่างที่คือที่บูชามาที่นี่เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะส่วนประเด็นถัดมาคือเรื่องของการบูชาอย่างที่ว่าไปแล้วก็คนที่เข้าไปสร้างอะไรอยู่ที่นู่นก็แล้วแต่ นะด้วยความศรัทธาที่เขามีเนี่ยอันนี้เราจะไปต่อว่าหรือคิดไม่ดีเนี่ยไม่ได้มันไม่ถูกหลักนะชื่อว่าเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมเราควรจะนุ่โมทนากับบุคคลที่ไปที่ได้ไปนะทำทำด้วยรูปแบบไหนก็ตามนะถ้าเขามีศรัทธาเนี่ยดีแล้วตัวเราเองก็ควรจะต้องปฏิบัติปูชาทําจิตให้ไม่มีความคิดทางการพิบัติเปลี่ยนแตคือบางคนเนี่ยไปเนี่ยมันไปคือเราพูดจริงๆว่าไปแสวงบุญน่ะเพราะนั้นอย่าไปเอาบาป <น><ช>อย่าไปเอาความคิดที่ไม่ดีเห็นสิ่งดีไม่ดีก็ด่าว่าโอ้ยอย่าทำเลยแต่ไปแล้วให้คิดดีพูดดีทำดีเราจะได้บุญตรงนี้ใช่นะคะเพราะนั้นวันนี้เท่ากับท่านก็อินโทรดักชันละว่า <laughs> เป็นการกล่าวนำให้ทราบว่าการไปครั้งนี้เป็นยังไงซึ่งวิังคิดว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะคะว่าสาระสำคัญคือแตกต่างจากที่คนอื่นเข้าไปกันจะได้เข้าใกล้แม่บทของธรรมของพระศาสดา ะสถานที่ที่เชื่อว่าท่านตรัสในสิ่งเหล่านี้ณที่นั้นๆ น, น, นะคะ<ช>แล้วก็เราก็ควรที่จะไปถึงแล้วก็ประพฤติปฏิบัติด้วยอาการอันสำรวมทั้งกายวาจาใจจะสามารถเข้าถึงที่นั่นได้ก็ต้องได้เห็นธรรมณที่นั่นซึ่งทัวร์นี้มีหนังสือพิเศษแจกให้ดิฉันยังไม่ได้กราบขอไว้ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ได้ยินว่ามีพระสูตรตั้งส0 0อกว่าพระสูตร<ช>แล้วก็สาหรับเรื่องราวที่ไปแล้วถึงที่นั่น อย่าไปทึกทักว่าพระสูตรบอกว่าแค่ไปแล้วได้ไปสวรรค์ต้องปฏิบัติตนให้สมควรไปสวรรค์ด้วยคือทำให้เกิดความสลบสังเวชมีศรัทธาแล้วจิตจักเลื่อมใสนะคะกับต้องเน้นในเรื่องของการปฏิบัติบูชาโดยเฉพาะเวลาไปถึงควบคุมกายวาจาใจของเราให้ดีไม่เช่นนั้นแล้วมันก็เป็นการไปที่สูงปล่ถูกต้องถูกต้อง ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะคะเนี่ยสำหรับสังเวยแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงพูดกันบ้างคะได้ได้ไดนะคะเพราะเวลาหมดพอดีเลยท่านฟังที่ครบคะ่ะเรนก็อยากจะให้อย่างที่ท่านอาจารย์ภับุลพูดนะคะว่าท่านบอกว่าอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะได้บุญอย่างนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะตูตัง น, นะคะงั้นก็เดี๋ยวติดตามฟังต่อไปแต่วันนี้เรามาขอบพระคุณท่านอาจารย์ภัยบุญกันก่อนนะคะนำ้ำมศการขอบพระคุณคะ่ะเต็มปาน ค่ะท่านฟังที่ครกคะก็อย่างที่บอกแล้วนะคะเยนเองเนี่ยเสียโอกาสนี้คือไม่ได้ไปทั้งทที่ท่านพิบูณก็เปิดโอกาสนะคะท่านก็าถามว่าจะไปไหมจะไปไหมเนี่ยมากกว่าสองครั้งนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะร่วมเดินทางไปได้เดี๋ยวจะช่วยโอกาสพร้อมๆกับท่านฝังทั้งหลายที่ฟังวิทยุอยู่ที่นี่เราก็น้อมจิตน้อมใจทําเหมือนกับที่ท่านพิรูลได้เตรียมผู้ที่ร่วมคณะกับท่านไปประมาณร้อคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ เราก็มาติดตามกันต่อนะคะว่าไปสังเวชนียสถานกับท่านไัยบูลนั้นมีประสบการณ์อย่างไรบ้างเพื่อเราจะได้ประโยชน์ได้บุญได้กุศลเท่ากับพวกที่เขาไปเพราะเราตั้งอกตั้งใจแล้วก็พยายามปฏิบัติตามนะคะวันนี้ก็คงจะนํำลา ก, กันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับรายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่า ว, ว FM106 พรุ่งนี้มาติดตามกันได้ใหม่นะคะขอรัความขอบคุณจากท่านสรสนาคุง พดว่าสวัสดีค่ะ